ในการนั้นเมื่อเราเป็นพญานาคคือพญางูชื่อว่าภูริทัตตมีฤทธิ์มากเราได้ไปยังเทวโลกพร้อมกับเท้าวิรูปักมหาราชคือเขาในเทวดาชั้นจ่าตุมเนี่ยนะมีเท้ามหาราชอยู่สท่านเท้าวิรูปักเนี่ยดูแลปกครองพวกกลุ่มพวกนาคทั้งหลายเพราะนั้นเวลาเท้าวิรูปักเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะในดาวดึงก็พาเอาภูริทัตตนาคราชไปด้วย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 เรียกว่าสระหนังสละเนื้อสละเอ็นและสละกระดูกแล้วตัวเองก็ไปนอนอยู่บนยอดจอมปลวกนะนอนอยู่บนจอมปลวกด้วยนะทำไมนี่มีร้านอาหารที่เป็นอาหารสัตว์ป่าใช่ไหมมีงูทั้งหลายเนี่ยอาจจะพระโพธิสัตว์มาอุทิศนั่งกายนะใครต้องการนังก็เอานังไปทำกระเป๋าหนังงูก็ว่ากันไปใครต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปต้มไปต้มไปยาไปทำแกงอะไรก็ทำไปใครต้องการเอากระดูกไปทาอะไรก็เอาไป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 ถึงแม้เราจะถูกพรามอาลัพภายใส่ไว้ในตะกร้าเราก็ไม่ได้มีจิตทำจิตให้โกรธเคืองเพื่อจะรักษาศีลเพื่อบาเพ็ญศีลบารมีให้เต็มชนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณธรรมอันนี้ถือว่าคุณธรรมที่สำคัญที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ายอมสละสละอะไรยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลเนี่ยนะสละชีวิตได้ง่ายเหมือนกว่า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 มีผู้ให้มาว่าไงนะทาตะเนี่ยแปลว่าให้อะนะก็พระโพธิสัตว์นั้นวินิจฉัยปัญญาวินิจฉัยปัญหาด้วยปัญญาที่เกิดในนาคพิภพในพิภพของท้าววิรูปักมหาราชและณดาวดึงพิภพเมื่อท้าววิรูปักมหาราชไปเมืองไตรทศกับบริษัทนาคแล้วก็นั่งล้อมท้าวสกกะตั้งปัญหาขึ้นในระหว่างทวยเทพใครใครก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้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 เหตุผลที่ช <looking at commencer> in <Android> in <lyrics> <another th> ื่อว่าภูริทัตะก็เพราะว่าท่านนี้ยินดีแต่เนื้อความที่เป็นจริงเรียกว่าต้องการแต่ประโยชน์ที่เป็นจริงนะต้องการเนื้อความต้องการสาระต้องการประโยชน์ที่เป็นความจริงอันนี้เหตุผลที่หนึ่งสองเพราะท่านมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินและก็เพราะนะเพราะท่านมีเนี่ยเสมอมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินขณะเดียวกันก็เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากประกอบด้วยฤทธิ์ของนาคขราชใหญ่ด้วยประการชนนี้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 พระโอรสของพระเจ้ากรุงพาณิชสีถูกพระบิดาขับไล่ออกจากเว่นแคว้นไปอยู่ในป่ า, านะเป็นลูกพระราชานะพระราชาไม่ชอบก็ถูกไล่นี้ไปก็ไปอยู่กินกับนางนาคมาณวิกาตนหนึ่งเมื่ออยู่ร่วมกันก็เกิดทารกสองคนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งลูกชายก็ชื่อว่าสาครพรหมทัตลูกสาวชื่อว่าสมุตทชาเนี่ยนะสมุททชา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 ด้วยสำแดงฤทธิ์ของนาคที่ยิ่งใหญ่ด้วยบริวารเป็นอันมากนําพระธิดาของพระเจ้ากรุงพารณสีไปสูน่นาคขพิภพแต่งตั้งไว้ในตําแหน่งอัครมเหสีต่อมาพ ร, อพระนางอาศัยพระนางสมุตชาเนี่ยนะอาศัยเท้าทัตตร์ก็ได้พระโอรสสองค์โอรสองค์ที่หนึ่งคือสุทัศนะที่สองทัตตะองค์ที่3 ส, สุโภคะองค์ที่สี่ก็อริ t h ะ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 ครั้งนั้นบิดาของโอรสเหล่านั้นก็แบ่งราชสมบัติให้ครองให้ครององคละร้อยยศนะนะก็มีเนื้อมีเมียนาจักอยู่500โ้อยยใช่ไหมก็แบ่งเลยหารห้านไหารหา น, นี้พร้อมยศใหญ่แล้วก็ให้มีนางหน้าขกัญญาองค์ละ 16,00 งหเวดล้อมพระบิดาก็ได้ราชสมบัติร้อยยศเหมือนกันนะก็แบ่งให้ลูก4ี่คนคนละร้อยยศก็เหลือไว้ให้พ่อร้อยยศ โอรสทั้งสามน้เสดจมาเยี่ยมพระบิดามารดาทุกๆเดือนเนี่ยนะคือสุทัศนนะสุโพอคอริ tha เนี่ยจะเข้ามาเยี่ยม พ, ออพ่อแม่ทุกเดือนส่วนพระโพธิสัตว์เสดจมาเยี่ยมทุกสิบวันก็คือครึ่งเดือนวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยเสดจไปอุปถาตเท้าส ก, กัดกับเท้าวีรูปักพระองค์ก็เห็นสมบัติของเท้าส ก, กัดเป็นที่จับใจยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นเวชยันต์ประสาทสุธรรมเทพสภาต้นไม้สวรรค์บรรดุกรรพลศิลาอาตมีเทพอักษรแวดล้อมเห็นสมบัติของเท้าสกา ก, ก็เลยคิดว่าแม้สมบัติประมาณเท่านี้ก็ยังหาได้ยากในอัตภาพของหน้าถ้าเป็นพญานาคมันจะไปดียังไงเนี่ยสมบัติเหล่านี้ของเทวดาย่างตัวเองไม่มีโอกาสได้สวยบริโภคเลยขนาดสมบัติในเทวโลกยังจะหาได้ยาก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 อันแับแรกนะเห็นว่าสีเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเช่นกับเท้าสักกะขณะเดียวกันสีนี่จะเป็นเครื่องบ่มสัพพัญญุตยานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุสัพพัญญุตยานในเทวโลกนี้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านก็เลยกลับไปหน้าคพิภพทูลบอกพ่อแม่ว่าข้าแต่พระมารดาบิดาหม่อมชั้นจะรักษาอุโบสถ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 อยู่บนยอดจอมปลวกนอนอธิษฐานอุโบสถแล้วจักทําอุโบสถกรรมก็เรียกว่าทําอุโบสถเรียกว่าเข้าอยู่จําศีลเข้าอยู่จํารักษาศีลท่านก็ออกจากหน้าคาภพบแล้วก็ทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้ภาษารีบุตรเราว่าเรานี้ไปยังเทวโลกพร้อมกับเท้าวีรูปักมหาราชในเทวโลกนั้นเราได้เห็นถวยเทพผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขโดยส่วนเดียว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 เรียก ว, ว่าให้เลยยกให้หมดเลยก็พูดถึงพญานาคเนี่ยนะที่ไปที่เมืองสวรรค์ใช่ไหมไปเห็นว่าสวรรค์เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ภูมสุขโดยส่วนเดียวเป็นผู้เพียบพร้อมพั่งพร้อมไปด้วยความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสวรรค์เนี่ยนะความสุขในสวรรค์แม้เพียงจะพูดก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายนักนะจะพูดว่าจะอธิบายถึงความสุขในสวรรค์ก็ไม่ใช่จะเล่าให้ฟังกันได้ ง่ายๆแล้วพระองค์ก็เปรียบเทียบ ว, ว่าสมบัติของจั ก, กรพรรดิที่เพียบพร้อมไปด้วยรัตนเจ็ดเป็นต้นอันนั้นก็ยังไม่ได้เศษเสี่ยวของสวรรค์เลยว่างั้นทีนี้พอท่านเห็นว่าแม้กระทั่งความสุขในสวรรค์นี่ก็เป็นความสุขที่ได้โดยยากในเมืองหน้าคทำยังไงที่จะได้รับความสุขเหล่านั้นขณะเดียวกันยังไงจะได้เป็นคุณธรรมเครื่องบ่มโพธิญาณท่านก็เลยบอกว่าจะต้องสมาทานศีลเนี่ยนะสมาทานศีล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 พราหมนี้รู้จักตนตามความเป็นจริงก็จะพึงไปเสียจากที่นี้พึงทำการอยู่ของเราในที่นี้ให้ปรากฏแก่มหาชนหมายคาอว่าถ้าเราบอกเข้าไปนะพราามคนนี้ก็จะไปบอกหมู่มหาชนให้มหาชนเนี่อรู้คนก็จะมาที่นี่นะเรื่องของเราก็จะวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นจะพึงเป็นอันตรายต่อการรักษาอุโบสถของเราถ้าใคราเราจะพาพราามคนนี้ออกจากที่นี้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 ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกกับพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์เรานี่จะให้ยศอันยิ่งใหญ่แก่ท่านคือที่นาคพิภพนี่หน้ารื่นรมม า, มาไปหน้าคพิภพกันเธอก็ชวนชวนนายพราหมณ์ชวนตาพราณ์เนี่ยนะชวนพรานณ์ไปอยู่เมืองนาในพราในพราณ์คนนั้นก็กล่าวว่านายข้าพเจ้ามีบุตรเมื่อเขามาข้าพเจ้าก็จักมาหมายเขาว่าถ้าหากว่าลูก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 พระโพธิสัตว์ก็ประทานที่ผสมบัติให้แก่สองพ่อลูกพระราชทานนางนาคให้คนละสี่ร้อให้พ่อลูกเสเวยสมบัติอยู่อย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองนาคแม้พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ทรงประมาทได้รักษาอุโบสถทุกกึ่งเดือนนะรักษาศีลทุกทุกสิบห้าวันได้ไปเยี่ยมพระมารดาปิดาแล้วก็กล่าวธรรมกถาให้พ่อแม่ฟังนะ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 หนึ่งปี ส, สมบัติทิพย์หนึ่งปีแล้วก็หมดบุญพอหมดบุญทําไงต่อมาหาล่า น, นกตกปลาต่อไปอีกนะถ้ากลับไปทําบาปตามเก่าสมัยนั้นมีดาบทอยู่องค์หนึ่งดาบทคนนี้ก็สอนอารามพายที่ได้จากพญาครุฑและบอกโอสถอันสมควรแก่มนนั้นและมนทิพย์นนะให้โอสถ ด, ด้วยให้มนทิพย์แก่พราหมณ์คนหนึ่งที่มาบํารุงตน เขามีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งะนะไม่มีที่ไปก็เลยไปอยู่บำรุงฤาษีปฏิบัติอุปถาฤาษีฤาษีก็เลยให้มนเนี่ยไปให้มนแล้วก็ให้โอสถให้ยาไปด้วยพราหมณ์คนนั้นคิดว่าเราได้อุบายเครื่องเลี้ยงชีพแล้วนะได้ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้อาชีพแล้วออกมก็เลยพักอยู่ที่นั้นสองสามวันอัมลาดา บ, บทไปถึงฝั่งแม่นม้ำยมุนาโดยลําดับตัวเองก็พอไปถึงก็ท่องมนโดยนะท่องมนสาวยายนมนนั้นเดินไปตามทางหลวง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 มุดลงในแผ่นดินไปยังหน้าคพิภพเนี่ยนะพรามนั้นเห็นแก้วมณีก็ถือเอาแก้วมณีนั้นไปในขณะนั้นเนศาสตร์พรามก็คือตะพรามผู้เป็นนายพรามเนี่ยนะไปในป่ากับบุตรเพื่อจะล่าเนื้อเห็นแก้วมณีในมือพรามก็จำได้ว่าเป็นแก้วมณีสารพัดนึกของพระภูริทัตต์อยากจะได้แก้วมณีนั้นจึงทาเป็นสนทนาปราศัยกับพรามนั้นก็รู้ว่าแก้วมณีนี้มีมนขลัง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 นายพรานผู้เป็นพรามคนนี้ก็พาเอาพาพรามนั้นไปยืนอยู่ในที่ไม่ไกลชี้ให้ดูพระโพธิสัตว์ที่นอนขดขนดอยบนยอดจอมปลวกอันเป็นที่รักษาอุโบสถพระโพธิสัตว์เห็นพรามคนนั้น เ, เห็นนายพรานคนนั้นก็คิดว่าเจ้าเนศเนศนี่แปลว่าพรานพรานปลาเนี่ยนะแม้เราเข้าไปยังหน้าคพิภพเราเนี่ยนำเข้าไปยังหน้าคพิภพ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 ถ้ากโกรธแล้วก็ฆ่าฆ่าอะไรนะฆ่าในพรานคนนี้ได้สบายแต่ว่าถ้ากโกรธทำอย่างนั้นศีลก็จะขาดเราอธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สี่ไว้ตั้งแต่แรกอุโบสถนั้นจงเป็นไปตามที่เราอธิษฐานไว้เถิดเจ้าอาลัมภยัย